ขอบคุณข้อบกพร่องในประเทศสิงคโปร์เมื่อสองสมปีก่อนหลังจากพิธีแต่งงานพ่อของเจ้าสาวดึงโตลูกเคยคนใหม่ออกมาเพื่อให้คำแนะนำในการครองชีวิตสมรสให้ยืนยาวและเป็นสุขเขาบอกพ่อหนุ่มว่า เธอคงจะรักลูกสาวของฉันมากนะมากครับพ่อหนุ่มตอบผู้อาวุโสกล่าวต่อว่าแล้วเธอก็คงคิดว่าเจ้าสาวของเธอยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพ่อหนุ่มกระซิบเบาๆว่าเธอยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านครับผู้อาวุโสกล่าวว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละในวันที่เธอแต่งงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะเธอจะเริ่มเห็นข้อบกพร่องในตัวลูกสาวของฉันเมื่อใดที่เธอเริ่มจะสังเกตเห็นข้อบกพร่องของเมียเธอนะฉันอยากจะให้เธอจดจำไว้ว่าถ้าลูกสาวของฉันไม่ได้มีข้อบกพร่องเหล่านี้มาตั้งแต่เริ่มแรกและก็พ่อลุกเขยเอ้ยเขากงจะได้ผัวที่ดีกว่าเธอเยอะไปะแล้วละ่ะ ดังนั้นเราจึงควรจะขอบคุณข้อบกพร่องต่างๆในตัวคู่ชีวิตของเราเพราะถ้าเขาไม่มีข้อบกพร่องเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นเขาก็คงจะสามารถเลือกแต่งงานไปกับใครสักคนที่ดีกว่าเรามากเป็นแน่